ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องโกรธเคืองใครใจเป็นหนี้กุติทูสกะชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงคำไว้เมื่อวันที่4ตุลาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ มาฟังชาดกกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะชาดกก็มกกักจะเป็นเรื่องเบาๆไม่หนักนักส่วนจะหนักหรือเบาอยู่ที่อาตมาพูดแต่จริงๆเนื้อเรื่องอ่ะ จ, จะสบายๆนะฟังง่ายๆวันนี้เราลองฟังก ok ุติทูสกะชาดกนะตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่า โกโรธเคืองใครใจเป็นหนี้แค่ฟังชื่อก็รู้นะเรื่องของความโกโรธทุกครั้งที่ใครโกโรธเกิดขึ้นมาเป็นหนี้ทันทีเลยอย่างน้อยก็เป็นหนี้ทางไหนอย่างน้อยเป็นหนี้ทางไหนอนี่ทางอารมณ์หรือว่าหนี้ทางมโนกรรมทางจิตแล้วอย่านึกว่าหนี้ทางมโนกรรมมันไม่มีนะเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าใจผิดคิดว่า เอ้ยเราคิดไม่ดีมั่งเราคิดอกุศลเราคิดรามกรามกแปลว่าความหยาบความชั่วความเลวอะไรพวกนี้นึกว่าแค่คิดไม่ดีไม่มีใครรู้เพราะว่ามันอยู่ในความคิดเราเราก็ไม่เป็นอะไรไม่ใช่เพียงแค่เราคิดไม่ดีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความโกรธนะ่าจะมีสองตัวหยาบหยาบใหญ่ๆ ก็คือเรื่องของโทสะกับเรื่องของกามคิดไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่นี่ทันทีเลยเป็นหนี้เป็นหนี้บาปทันทีเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องใช้เมื่อไหร่เท่านั้นเองทำไมถึงเป็นหนี้ทันทีเพราะว่าขณะที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยอารมณ์เราไม่ดีจิตเราไม่ดีนี่มันจะฝังเลยมันจะเป็นข้อมูลนะเก็บเข้าไปในจิตวิญญาณของเราทันที ถ้าสมมุติว่าเราเองเนี่ยวันหลังเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วไม่ได้ล้างไม่ไดอ้อะไรอะทำลายมันออกไปหรือไม่จัดการมันออกไปมันก็ฝังอยู่อย่างนั้นนะเสร็จแล้วพอคราวนี้เราไปผัสสะไปเจออะไรที่อึดอัดบ้างไม่ชอบใจบ้างคือคือที่มันตรงกับกิเลสนะพอไปเจอปั๊บกิเลสที่เราสะสมไว้ก็จะขึ้นมาทางาน ตอนนี้แหละคือการใช้หนี้ใช้หนี้หมายถึงว่ามันเล่นงานเราอันนี้เป็นหนี้บาปนะอันนี้ไม่ใช่หนี้บุญอันนี้เป็นห น, น, น, น, นี้บาปที่เราไปคิดเลวคิดร้ายเอาไว้วัพอมันโดนกระตุ้นนะบางทีเขาเรียกกระตุ้นต่อมของความชั่วร้าย <c oughs> ขึ้นมาว่ามันขึ้นมาปั๊บทันทีเลยไอ้ที่เราเก็บสะสมไว้มันก็ทำงานทำงานเสร็จของเก่ามีอยู่แล้วใช่ไม เพอเพอของใหม่ไม่ชอบใจเข้าไปอีกอ่าเพิ่มเข้าไปอีกเพรนี่แหละคราวนีน้นี่เพิ่มขึ้นเรื่อยนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยจนกระทั่งบางคนบอกแล้วว่าเก็บไว้ในใจไม่ได้ละหลุดออกมาเป็นวจธีกรรมหลุดออกมาเป็นกายกรรมอันนั้นแสดงว่าหยาบมากแล้วแสดงว่าควบคุมอารมณ์จิตใจไม่ได้ราะฉะคราวนี้เนี่ยมันมาทวงหนี้เราเต็มกําลังและเต็มแรงเพราะฉะนั้นใครเนี่ยไม่ ไม่ฝึกบังคับจิตบังคับใจเอาไว้ก็ควบคุมไม่ได้วันในที่สุดเนี่ยจะเป็นราคะจะเป็นโทสะะมันก็แสดงฤทธิเดชเข้ามาออกมาอันตอนนี้เราลองฟังเรื่องนี้ดูนะณ น, นครราชคฤกในแคว้นมคตป้ามหากัสปะเทระพมนักอยู่ที่อรัญญากุดีกุดีเนี่ยหรือกุตินั่นเองจะเหมือนกัน กุติก็คือคืออะไรที่พักอะไรอ่ะอพูดให้มันเต็มๆหน่อยนะถ้าพูดที่พักเฉยๆใครพักก็ได้นกหนูอะไรก็พักได้กุติหรือกุดีเนี่ยก็หมายถึงที่พักของนักบวชนะของสัมมณของภิกษุภิกษุณีอะไรก็ว่าไปและเป็นอรัญญากุดีหมายถึง มีคำว่าอารันอ่าอารกัก็คือก็คือป่านั่นเองแสดงว่าเป็นที่พักที่อยู่ในป่าเนี่ยแหละนะคืออันนี้เป็นที่พักของพระมหากัสปะเราก็รู้อยู่แล้วส่วนใหญ่พระมหากัสปะท่านชนานาญในเรื่องพวกไหนเออทุดงขวัตอะไรต่างๆพวกนี้เพราะนั้นท่านก็พักกุดที่อา่าเป็นเนี่ยเป็นพวกป่าบ้างเป็นอะไรบ้าง โดยมีภิกษุหนุ่มสองรูปเป็นลูกศิษย์คอยดูแล ร, รับใช้ประจำนะมีอยู่สองคนนะสรูปนะภิกษุรูป1ขยันมีอุปการะดีแก่พระเถระแต่อีกรูปหนึ่งกลับเกียจคร้านว่ายากสอนยากอันนะ่ามีอยู่สองนะ1ขยันอีกหนึ่งยิเกียจข้าใดที่ภิกษุขยันตื่นแต่เช้าตรู่ก็ทำกิจวัตรปัดกวาดเช็ดถู เตรียมน้ำฉันน้ำชายไว้แล้วภิกษุเกียดคร้านจะช่วยโอกาสรีบไปหาพระเถระผู้เป็นอาจารย์ทันทีไหว้แล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์ครับผมได้ตระเตรียมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วขอท่านอาจารย์โปรดใช้ล้างหน้าด้วยเถิดครับจริงๆแล้วเป็นยังไงตัวเองไม่ได้เตรียมนะตื่นก็สายตื่นที่หลังเขา แต่ภิกษุขยันอีกรูปหนึ่งเนี่ยโอ้ก็มัวขยันนะแต่เตรียมอะไรต่ออะไรเสร็จแต่ยังไม่ทำมาบอกอาจารย์เนะี่ยเจ้าภิกษุรูปที่ขี้เกียจ น, นี่ตื่นขึ้นมาถึงอา้าเห็นเขาเตรียมไว้แล้วก็รีบมาบอกอาจารย์เลยแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ไปล้างหน้าได้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะไรนะเสนอหน้าเหรอมันไม่ถูกทีเดียวเนาะ ชุบมือเปิบอ่าชุบมือเปิบพิกษุเกียรครั้นทำเสมือนตนได้ปัดกวาดเตรียมน้ำไว้เองกระทำเอาหน้ากับอาจารย์เช่นนี้เสมอๆแสดงว่าบ่อยๆเลยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแม้ถูกเพื่อนพิกษุตักเตือนก็ไม่แก้ไขยังดื้อรั้นที่จะเกียรตครา้นอยู่ดังเดิมเอาแต่ฉันอาหารแล้วก็ไปนอน พ, พุทธเจ้านะเคยตำหนิเคยว่าภิกษุที่กระทำลักษณะแบบนี้ว่าเหมือนกับเหมือนกับหมูพเจ้าว่าท่านท่านตัดแรงเพื่อนนะบอกว่าเนี่ยฉันเสร็จเข้ากุดปิดประตูจำวัดเนี่ยทำอย่างเงี่ยเหมือนหมูนะที่กินอาหารอิ่มเสร็จแล้วมันก็นอนโอ้ท่านว่าแรง คำว่าหมูเนี่ยอาจจะเพลาะนะแต่จริงๆแล้วหมายความว่าทําเหมือนกับสัตว์ดีรฉานออ่ายังแต่พอพูดว่าหมูมันก็ฟังเพล า, าะหน่อยใช่ไหมอ่แต่จริงๆแล้วเท่ากับผู้เจ้าเนี่ยท่านตรัสว่าแบาทำตัวเหมือนกับสัตว์ดีรชานทํำนะอย่างเงี้ยจริงๆก็ตรัสหนักตรัสแรงเพื่อให้สํานึกเพื่อให้รู้สึกตัวเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยพูดเบาๆแล้ว หนังไม่บางอะ่ะหนังไม่บางไม่ค่อยรู้สึกเพราะฉะนั้นหนังหนานะเพราะฉะนั้นก็แน่ต้องว่าแรงๆหน่อยวันพระพุทธเจ้าเดียบางครั้งท่านตรัสแรงท่านว่าแรงท่านไม่ได้โกรธนะแต่ท่านว่าเพื่อให้สำนึกเพื่อให้รู้สึกตัวแต่แตอนนี้พอภิกษุเกียรติค้านี่ทำอย่างนี้ใช่ไหมภิกษุขยันจึงบังเกิดความคิดขึ้นว่า เห็นทีเราจะต้องทำการเปิดเผยพฤติกรรมของพระหัวดื้อนี้ให้ปรากฏแก่สายตาของอาจารย์แล้วคือเตือนก็นแล้วบอกก็แล้วนะหลายครั้งหลายหนแล้วภิกษุเกียรติค้านี่ยังทาอย่างนั้นอยู่อีกพราฉะนั้นคิดว่าต้องให้อาจารย์รู้เลยะคือจะต้องให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้สอนแล้วพอคนอื่นบอกสอนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวันรุ่งขึ้น ภิกษุขยันตื่นมาแต่เช้ามืดทำกิจวัตรทุกสิ่งแล้วก็ต้มน้ำสำหรับอาบเตรียมไว้ให้อาจารย์พอภิกษุหัวดื้อตื่นนอนแล้วเห็นน้ำต้มไว้เรียบร้อยจึงรีบไปหาอาจารย์เพื่อบอกว่าท่านอาจารย์ครับผมได้ต้มน้ำอาบไว้ให้แล้วขอให้ท่านอาจารย์ไปอาบเถิดครับนะเอาหน้าเหมือนเคยนะพระมหากัสปเถระก็รับคาดีระ เราจะไปอาบแล้วก็มาพร้อมกับภิกษุหัวดื้อนั้นแต่พอมาถึงกลับไม่มีน้ําที่ต้มเอาไว้จึงถามขึ้นว่าไหนเล่าน้ําต้มอยู่ที่ไหนแสดงว่าอากาศต้องเย็นยนะนะถึงได้ต้มน้ําอาบภิกษุหัวดือ้อทำงุนงงทั้งตกใจอ๋อทั้งงุนงงทั้งตกใจรีบไปยังโรงไฟโรงไฟคือ คืออะไรไม่ใช่โรงปั่นไฟนะโรงไฟคืออะไรไม่ใช่โรงครัวด้วยนะโรงไฟอะ่ะเคยฟังไหมเนี่ยเนี่ยพระไตรปิฎกหรือว่าชาดกเนี่ยพูดถึงโรงไฟแล้วต้องเข้าใจทันทีว่าโรงไฟหมายถึงอา้าวอันนั้นบอกว่าโรงต้มน้ำอา้าวอะไรนะอา้าวให้เดาฮะ โถโรงไฟเรือนไฟมันก็นเหมือนกันน่นแหละเรือนไฟเอาไหมครับ ว, ว่าไงที่ที่มีฟืนสำหรับต้มน้ำโถเอ้ย <c oughs> ตอบได้ดีมาก <c oughs> อะไรอาตมาเนี่ยเคยพูดไปบ่อยอยู่นะคำว่าโรงไฟก็ตามหรือเรือนไฟโอ้โหอันนั้นเป็นที่บูชาแล้ว <c oughs> อา้าวพวก รัตินาเจ้ารัตทิที่เขาบูชาไฟเขาก็จะมีโรงไฟแบบบูชาไฟคือเขาจะห้ามไม่ให้ไฟดับนะเขาจะต้องให้ไฟเนี่ยลุกอยู่เสมออันนั้นเป็นโรงไฟเป็นเขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์ไปเลยของของอันนั้นรัตทิอื่นแต่นี้ของศาสนาพุทธเขาเรียกว่าโรงไฟแต่บอกแล้วไม่ใช่โรงครัวภิกษุมีครัวเปล่าไม่มีครัวไม่จาเป็นต้องมาหุงหาอาหารอะไรแล้ว เพราะฉะนั้นย่อมไม่ใช่โรงครัวแน่นอนที่สำหรับต้มน้ําอย่างเดียวเหรอไม่ใช่จริงๆก็้วโรงไฟเนี่ยหมายถึงโรงที่เอาไว้ เ, เพื่อสุขภาพของภิกษุนะอาจจะเอามาอบถ้าเป็นเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นห้องซาวน่าหรือห้องอะไรอะแบบ เ, เดี๋ยวนี้มันซาวน่าที่อบไอ้น้ำใช่ไหม หรืออบสมุนไพรอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ ย, ยจะเป็นโรงไฟนะอาจจะมีเนี่ยมันก็ต้องไป อ, อะไรอะก่อไฟช่แม่เอาไอหม้อสมุนไพรไปต้มแล้วก็ให้ควันมันออกมานั่นแหละเ ป, เป็นเป็นเป็นสถานที่ที่ดูแลรักษาพยาบาลหรือว่าเพื่อสุขภาพของภิกษุที่จะทาให้สุขภาพเมียดีขึ้นอันเนี้ย นะเขาเรียกว่าโรงไฟเสร็จแล้วตอนนี้ภิกษุหัวดื้อนี่ก็ไปหาน้ำเนี่ยเพราะว่ายังไงก็คิดว่าโรงไฟก็คงจะต้องมีน้ําใช่ไหมก็เลยไปหาน้ําเพื่อจะมาต้มแต่พอหย่อนกระบวยตักน้ําลงไปในองค์ก็ได้ยินแต่เสียงกระบวยกระทบองค์ที่ว่างเปล่าเท่านั้นนะสแสดงว่าภิกษุที่ขยันนี่เตรียมไม่พร้อมหมดแล้วนะ ขาดการไว้ว่าพอไม่เจอน้ำที่นี่ต้องมาที่นี่แน่นอนเพราะนั้นจัดการไปหมดแล้วไม่ให้ไม่ให้เหลือน้ำไว้เลยเสร็จแล้วก็พอภิกษุขี้เกียจเนี่ใช่ไหมเอากระบวยลงไปจะไปตักน้ำแกว่งในโอ่งเนี่ยเสียงมันกระทบโอ่งเนี่ยมีแต่เสียงว่างเปล่าตั้งแต่นั้นมาภิกษุหัวดือ้อจึงถูกเรียกชื่อว่าอูรุงกะสัทธกะ นะชื่ออุรุงกะสัทธกะแปลว่าเสียงกระบวยเปล่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือกระบวยตักลงไปในน้ำแล้วไม่มีน้ำเลยบ้างเปล่า <c oughs> คือพูดง่ายๆว่าเลยได้สมยานา้ำภิกษุรูปนี้นะเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนภิกษุก็เลยเรียกชื่อนี้ขึ้นมาฝ่ายภิกษุขยันได้นำน้ ำ, นำที่ต้มซึ่งเอาไปแอบซ่อนไว้คือต้มเสร็จแล้วเอาไปซ่อนไว้ออกมาให้อาจารย์ได้อาบ แล้วก็เล่าความจริงต่างๆให้อาจารย์ฟังอาจารย์จึงได้รู้ว่าภิกษุอุรุงกะสัตถกะเป็นคนหัวดื้อว่ายากสอนอยากอย่างไรนะก็เลยรู้เรื่องราวรู้เหตุการณ์ทั้งหมดละเย็นวันนั้นเองเมื่อภิกษุเกียดต้านได้มาหาอาจารย์พระมหากัสปาเถระจึงอบรมสั่งสอนว่าตามธรรมดาของผู้เป็นสมณะ คำว่าสมณะแปลเป็นไทยว่าผู้สงบระ ง, งับอะไรอีกไม่ใช่สงบระ ง, งับเฉยๆถ้าสงบระ ง, งับเฉยๆอะไรก็ได้นี่ถึงแปลให้มันครบๆเต็มๆให้คนฟังแล้วเนี่ยเข้าใจทันทีเลยว่าอ๋อสมณะหมายถึงอย่างนี้แปลให้เต็มๆก็คือผู้สงบระ ง, งับจากกิเลส นะตอนนี้อาจารย์ก็สอนลูกศิษย์และลูกศิษย์วัดเดือบอกว่าตามธรรมดาของผู้เป็นสมณะนั้นย่อมกล่าวแต่สิ่งที่ตนทําเท่านั้นว่าเราทําอย่างนี้จึงควรคือถ้าไม่ได้ทําใช่ไหมก็ไม่ไม่ควรกล่าวว่าทําถ้าอันไหนทําก็บอกว่าทําอันไหนไม่ได้ทําก็บอกว่าไม่ได้ทำคือคือให้มีอะไรอ่ะคำตรงคําจริง นายามังโกโหกหาก่าวให้ผิดเพี้ยนไปเป็นอื่น hmm. ย่อมกลายเป็นสัมปชานะมุสาวาท mm hmm. เคยจะยินแม้คำนี้สัมปชานมุสาวาทเนี่ยก่อนที่สมณะเราหรื อ, ห ร, อหรือผู้สมณ ะ, ะพระที่ท่านมาอยู่กับเราเนี่ยเข้าโบทตอนวันพระใหญ่ที่จะมีการฟังสวดปฏิโมกทุกครั้งจะมีพูดถึง คำว่าสัมปชา n a มุสาวาทหมายถึงการกล่าวเท็จทั้งๆที่รู้อยู่นีน่คือคําแปลคือบางทีเนี่ยเรารู้ล้ ว, ว่าอันเนี้ยเป็นคําโกหกเรารู้ว่านี่คือโกหกแต่เราก็ยังพูดอยู่ยังทําอยู่นี้เขาเรียกว่าคนนี้สัมปชานะมุสาวาทนานมุสาาก็คือโกหกนั่นเอง อาจารย์ก็สอนนะบอกว่าเนี่ยถ้าพูดโกหกอย่างเงี้ยตัวเองไม่ได้ทําแล้วก็มาบอกทําอย่างกับว่าตัวเองทําอย่างนี้ถือว่าเป็นสัมปชานะมูสาว่ากล่าวโกหกทั้งๆ ท, ท, ท, ที่รู้อยู่ฉะนั้นนับแต่นี้ไปเธอได้อยากล่าวเท็จอย่างนี้อีกเลยคือทั้งสอนท่านดําหนิทั้งว่าภิกษุเกียรติคนเนี่ยภิกษุอุรุงกะสัทธกะฟังคําสอนของอาจารย์แล้ว โดนติโดนว่าโดนอะไรเนี่ยจะรู้สึกยังไงือคนขี้เกียจอ่ะคุณคุณนึกดูสภาวะจิตทีสภาวะจิตของคนขี้เกียจเนี่ยเวลาโดนคนติโดนคนว่าอย่างเงี้ยจะรู้สึกยังไงพวกคุณเคยขี้เกียจบ้างไหม <c oughs> <c oughs> แล้วมีคนปติมาว่าทําไมไม่ทํางานหายไปไหนมาหรืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ สนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าเป็นคนที่ขยนันหรือเป็นคนที่ดีๆอยู่แล้วอะ่ะปกติเนี่ยเขาจะไม่ขี้เกียจใช่ไหมเออเขาจะทำโน่นทํานี่ทําอะไรต่ออะไรแต่ยิ่งเนี่ยขี้เกียจอะ่ะเสร็จแล้วก็มาโดนเรียกมาอย่างเงี้ยโดนติโดนว่าโดย น, นิสัยของคนที่ขี้เกียจเนี่ยไม่ยอมรับอยู่แล้วอะ่ะโดยปกติก็อยากจะเอาแต่ตามใจตัวเองเพราะฉะนั้นพอโดนติโดนว่าเนี่ยก็เลยไม่ชอบใจแม้อาจารย์ก็ตามเพราะฉะนั้นก็ไม่ชอบใจอาจารย์ นึกโกรธแค้นอาจารย์พอถึงเช้าของวันใหม่นะพิสุรุงกะสัทธกะจึงไม่ยอมไปบิณฑบาตกับอาจารย์หรือกับภิกษุรูปอื่นๆไม่ยอมไปด้วยเลยเนี่ยหนึ่งขี้เกียจสองขี้โกรธนะตอนนี้สองขี้แล้วนะตอนนี้ขี้โกรธไอขี้เกียจมาหนึ่งแล้วนะตตอนนี้เพิ่มขี้โกรธเข้าไปอีก ไม่ไปบินทบาทด้วยแล้วแต่มุ่งไปยังตะกูลอุปถากของพระมหากัสปะเถระคือแทนที่จะไปร่วมบินทบาทด้วยนะบินไปตามที่ต่างๆนี่ไม่เลยไม่บินธบาีอุ้มบาตตัวเองนี่ไปเลยไปที่บ้านโยมที่เป็นอุปถากคุปถากนี่หมายถึงอะไรอุปถาคประวรัลนาหรือว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือนะ กับภิกษุรูปนั้นๆัน่นะที่ที่ตัวเองบอกว่าเป็นอุปถากให้หรือพูดง่ายๆว่าเป็นบ้านที่อุปถัมภิกษุรูปนั้นรูปนั้นไวอะไรเงี้ยนะพูดง่ายๆอ่ะนะวันก็ตรงไปที่บ้านหลังนี้เลยเมื่อโยมเหล่านั้นถามถามพระที่เกียรตค้านรูปนี้ว่าพระกุณเจ้าก็แล้วอาจารย์ของท่านไปไหนเสียเล่าอ๋อ ท่านอาจารย์ไม่ค่อยสบายกินอยู่ไม่ผาสุขจึงพักอยู่ในวิหารนั่นนั่นแหละเ อ, เอาอีกแล้วนี่โกโหกอีกแล้วนะตอนนี้ขี้เกียจขี้โกรธขี้โกหก น, นี่ขี้ตอแหลเนี่ยนะตอนนี้มาแล้วนะสามแล้วนะตอนนี้สามขี้แล้วนะคือโกหกว่าอาจารย์ป่วย ตอนนี้คาววะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นได้ของอะไรขบฉันดีไหมเล่าจึงจะรู้สึกสบายขึ้นนะก็ก็เป็นห่วงอาจารย์ใช่ไหมผู้ที่เขาอุปถาคเนี่ยก็เลยถามว่าเออาจารย์จะฉันอะไรดีแล้วจะสุขภาพดีขึ้นนะภิกษุอุรุงกะสัทกะก็เลยบอกว่าขอให้โยมเอาอาหารอันประนีตมาเถิดอาตมาจะนาไปให้ด้วยการกล่าวขอดังนี้ ภิกษุหัวดือ้อจึงได้อาหารอันประณีดมากมายแล้วถือเอาไปหาสถานที่เหมาะๆนั่งขบฉันอาหารตามใจชอบของตนจากนั้นจึงค่อยกลับคืนสู่พวิหารนี่ตอนนี้เพิ่มมาอีกขี้งเงี้ย น, นะโกหกไปแล้วใช่ไหมโกหกเสร็จได้อาหารมาได้มาจากอาหารที่โกหกเสร็จแล้วก็จริงๆอาหารนี้เขาจะให้ใครเขาจะให้อาจารย์ ที่จริงแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวเองบอกว่าเอามาให้สิแล้วเดี๋ยวตัวเองจะเอาไปให้อาจารย์ใช่ไหมวัของเนี่ยที่เขาให้มาเป็นของอาจารย์เสร็จแล้วตอนนี้เป็นไงหาที่มาเหมาะเรียบเลย <c oughs> นะชันเรียบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรเพิ่มมาอีกตัวแล้วขี้ขโมยแล้วตอนนี้เข้าข่ายแล้วนะอย่างนี้เริ่มเข้าข่ายขี้ขโมยนะนี่ครบห้าแล้วนะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ช้าวันต่อมา พระมหากัสริเทระได้ไปฉันอาหารที่ตระกูลอุปถากหลังนั้นพวกเขาพากันถามไถ่ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านอาพาธถึงกับต้องพักอยู่ในแต่วิหารเท่านั้นหรือเมื่อวานนี้พวกกับผมได้ฝากอาหารอันประนีตถวายไปกับลูกศิษย์ที่คอยดูแล ร, รับใช้ท่านไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าได้บริโภคอาหารนั้นหรือไม่ที่เชื่อถือ เพราะว่าอะไรเพราะภิกษุรูปนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่อที่คอยดูแลคอยอุปถาะไงมีอยู่สองรูปไงรูปหนึ่งขยนันรูปหนึ่งขี้เกียจเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายว่าเป็นคนออะไรเป็นเหมือนปัจฉาสมณะเป็นคนคอยติดตามรับใช้พระมหากัสปะอยู่เพราะฉะนั้นญาติโยมเขาก็เชื่อสิเพราะนั้นเขาก็เลยฝากอาหารไปให้ตอนนี้พอคารวะเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหม พระเถระได้แต่นิ่งเฉยไม่ยอมตอบในในเรื่องนั้นเลยแต่รู้แล้วใช่ไหมฟังดูในรู้เรื่องแล้วโอ้แสดงว่าเจ้าลูกศิษย์นี่เอาอีกแล้วเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วจึงกลับไปยังวิหารเรียกหาภิกษุรุงกะสัถกะให้มาพบเมื่อสอบถามชัดเจนแล้วนะพอรู้เรื่องแล้วว่านี่โกหกอีกแล้วนะทําอย่างนี้ไม่ดีแล้วจึงกล่าวตักเตือนสั่งสอนว่า การที่เธอเที่ยวไปขอข้าวของในตระกูลโนนอ้างว่าของสิ่งนั้นสิ่งนี้สมควรแก่อาจารย์แล้วก็นำไปบริโภคเสียเองนี้เป็นการกระทาที่โกหกผิดศีลหรือแม้แต่ขึ้นชื่อว่าการขอก็เป็นการกระทาที่ไม่สมควรแก่สมณะอยู่แล้วเธอจงเลิกประพฤติอนาจารย์เยี่ยงนี้โดยเด็ดขาด น, นันคือให้เลิกเลย การกระทําอนาจารการกระทํำอนาจา ร, น, าจารนี่แปลว่าการกระทําที่มันน่าอับอายการกระทําที่มันต่ําช้าเลิกนะคร <c oughs> าวนี้ก็ว่าตําหนิอีกแล้วยิ่งถูกตําหนิตีเตียนแทนที่จะสํานึกผิดภิกษุรุงกะศัท ธ, ธกะยิ่งแค้นอาฆาตกว่าเดิมนี่แทนที่จะรู้ตัวนะกลับแค้นหนักกว่าเดิม บังเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นว่าเมื่อวานนี้ก็ว่ากล่าวเราเรื่องน้ำมาวันนี้อาจารย์ก็อดกลั้นไม่ได้อีกยังมาด่าว่าเราเรื่องแค่อาหารขบฉันเท่านั้นช่างหาเรื่องทะเลาะกับเราเสียจริงๆเอาละเรารู้แล้วว่าจะจัดการอย่างไรกับอาจารย์เอาละนะ เ, เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะลูกศิษย์แบบนี้เขาเรียกว่าอะไร ลูกศิษย์แบบ น, นี้ฮะออลูกศิษย์คิดลังครูเลยนะตอนนี้และอีกอย่างก็คือว่าจริงๆเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ไปด่าว่าไม่ได้ไปอะไรหรอกจริงๆแล้วอาจารย์เขาอะไรเขาสอนเขาเตือนแต่คนฟังเนี่ยเวลาฟังคนสอนคนเตือนเนี่ยชอบรู้สึกว่าเขาดา่านี่ขนาดลูกศิษย์เนี่ยฟังอาจารย์สอนเตือนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่านี่อาจารย์ใช่ไหม มันต่อให้อาจารย์ด่าด้วยเอา้าจริงๆแล้วต้องคิดว่าอะไรต้องคิดว่าอาจารย์สอนถูกไหมละ่ะนี่ต่อให้อาจารย์ด่าด้วยลูกศิษย์ก็ควรจะคิดว่านี่คืออาจารย์สอนแต่นี่อาจารย์ไม่ไ ด, ด้ด่าจะซ้ำไปนี่อาจารย์เตือนแต่จิตนี่กลับตรรปัดกลายเป็นคิดว่าอาจารย์ดา่าตอนนี้อาจารย์นี่จริงๆเราน่าจะยกไว้ให้ได้ง่ายใช่ไหม อ่าทานนี้ลดจากฐานะอาจารย์ลดมาเนี่ยเนี่ยเอาประเภทอพอฟัดพอเวียงนะฐานะตำแหน่งหรือว่าอะไรแบบเท่าๆกันเวลามีคนติงเราเตือนเราหรือตำหนิเราระวังให้ดีเถอะเรามากักจะคิดว่าเขาด่าเรานี่ระวังให้ดีแล้วก็จะเกิดความโกรธเกิดความอึดอัดความไม่ชอบใจ ระวังนะจะเหมือนภิกษุรูปนี้นะเพราะว่าพอเราไม่ชอบใจเนี่ยทันทีเลยอะไรที่จะตามมาอีกความคิดชั่วร้ายละเริ่มคิดอกุศลละเริ่มคิดไม่ดีกับเขาละถ้าหนักข้อหนักข้อนี่เนี่ยกําลังจะเหมือนลูกศิษย์คนนี้เริ่มคิดว่าเดี๋ยวรู้ละจะจัดการยังไงกับอาจารย์นี่ น, นีนี่เนี่ยคิดอย่างนี้นะเริ่มเป็นหนี้แล้วนะหนี้บาปเพราะว่าคิดอกุศลละ แล้วดูดูเดี๋ยวนี้พวกนี้จะมีผลออกมายังไงรุ่งเช้าของวันใหม่เมื่อพระมหากัสปเะเถระกับภิกษุทั้งหลายออกไปบินเถื่แล้วภิกษุหัวดื้อก็ช่วยโอกาสที่ปลอดคนจึงถือไม้คอนมาไม้คอนก็คืออะไรไม้สาหรับทุบสําหรับอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เรียกง่ายๆอย่างนี้ก็คือคอนน่ะนะเออ แต่สมัยก่อนนี้เขาเรียกไมค์คอนคือมันทำด้วยไม้นะจึงถือไมค์คอนมาเที่ยวทุบภาชนะเครื่องใช้ต่างๆแตกทำลายสิน้นแล้วยังไม่พอยังจุดไฟเผากุดีที่พักของอาจารย์จนวอดวายหมดโอ้โหรุนแรงเลยนะจากนั้นจึงหลบหนีไปโอ้โหแสดงว่าปึดอัดขัดเครื่องโกรธแค้นเก็บกด กดดันนะจนกระทั่งเรียกว่าไม่ชอบใจนี่นี่นี่เนรคุณมากนะธเนียต้องเรียกว่าเนรคุณมากถึงกับเผากุฏิอาจารย์ทั้งหลังเลยอ่ะด้วยผลแห่งการกระทำบาปกรรมนั้นเองนับตั้งแต่นั้นมาภิกษุรุงกะสัทกะก็มีชีวิตอยู่อย่างอัตคัดขาดแคลนต้องอดอยากลำบากจนผอมโซ กายสกปกเน่าเหม็นราวกับเปรตเดินดินทรมานอยู่เช่นนั้นกระทั่งถึงแก่ความตายแล้วยังต้องไปใช้หนี้กรรมในอเวจีมหานรกอีกเรื่องราวของภิกษุอุรุก g ะสัทกะจึงโจดจันกันไปทั่วนครราชคึกนะเขาดำเนินเรื่องให้มันเร็วนะว่าเนี่้นะไปเผา กุติอาจารย์ทั้งน ท, ที่อาจารย์สอนเตือนให้ดีๆแต่จิตหยาบช้าลามกจนกระทั่งเรียกว่าโอ้โหไม่เพียงแต่ไม่ตอบแทนบุญคุณอาจารย์นะยังเนรคุณคำว่าเนรคุณแปลว่าคำว่าเนรคุณหรืออากตันยูนั่นเองอะ่ะแปลว่าไม่รู้จักบุญคุณของผู้ที่มีคุณกับเราเนี่ยเขาเรียกวัาเนรคุณ แล้วไม่เพียงแต่ไม่รู้จักบุญคุณแล้วทำเฉยๆก็ได้นะที่จริงใช่ไหมไม่รู้จักบุญคุณแล้วเราทำเฉยๆก็ได้ไอ้ น, นี่ไม่ทำเฉยเลยไม่รู้จักบุญคุณแล้วยังโอ้โ oh หยังทำร้ายผู้มีพระคุณอีกอ น, นี่บาปมหันต์หนักเข้าไปอีกหนักกว่าอากตันยูเฉยๆนะเพราะอากตันยูเฉยๆเนี่ยแค่ไม่รู้บุญคุณแต่อันนี้หนักก็ไปอีกไม่รู้ไม่รู้จะหาคำไหนมาเรียกอืม ทำร้ายผู้มีพระคุณเลย